ยกเว้นพวกผีการพนันซึ่งไม่สามารถเลิกเล่นได้ถึงจะไม่ไปเล่นในโบสถ์ก็ไปหาที่เล่นใหม่กันต่อไปนอกจากชาวบ้านตำบลบ้านแป้งซึ่งเป็นคนในท้องที่แล้วลูกศิษย์กรรมฐานจากวัดพรหมบุรีก็ตามมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาวัดด้วยพวกเขารู้จักแบ่งเวลาวันโกนวันพระปฏิบัติกรรมฐานวันธรรมดาช่วยสมภารพัฒนาวัด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 โดยเฉพาะพระที่ชื่อเจริญเพราะได้ก่อกรรมทำเขียนไว้มากมายสมัยเมื่อเป็นเด็กชายไว้ผมแกละกระทั่งโตเป็นหนุ่มตัดแก่ออกไปแล้วก็ยังไม่ไวซุกสซนเพราะไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีผลมีวิบากจริงต่อเมื่อมาให้ผลนั่นแหละจึงยอมเชื่อ วันพระแรมส4่ค่ำเวลาบ่ายสี่โมงพระเจริญกำลังสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมอยู่ที่กุฏินางโถและนางแต้มนั่งแถวหน้าห่างจากอัสนะประมาณหนึ่งวาญาติโยมคนอื่นๆนั่งถัดออกมาทางด้านนอกสามเณรเฉลียวกำลังดายหญ้าอยู่ในสวนดอกไม้หลังกุฏิจู่ๆฟ้าก็มืดลง ท, งทั้งที่ไม่มีเขาว่าฝนจะตกพระหนุ่มรู้สึกแปลกใจ มองออกไปนอกกุฏิก็เห็นต้นไม้ไหวเอยนอยู่ราวกับโดนลมพายุสงสัยจะเป็นฝนหลงหรือดูท่านพูดกับญาติโยมแต่อีฉันว่ามันจะยังไงยังไงอยู่นะท่านนางถงว่ายังไงยังไงน่ะมันเป็นยังไงล่ะท่านแสงยาวอีฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เอ๊ะทำไมหน้าท่านดูดำอย่างนั้นหรือว่าอีฉันตาฝาดไปพูดพลางยกมือขึ้นขยี้ตา ยังไม่ทันเอามือลงก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงดังสนั่นหวั่นไหวทุกคนตกใจหมอบลงพร้อมกันราวกับนัดมีแต่พระเจริญเท่านั้นที่ไม่ได้หมอบเสียงท่านร้องบอกว่าโยมฟ้าผ่าอัตมาเข้าแล้วปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยญาติโยมยังพากันเงยหน้าขึ้นก็เห็นสมภารยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่จีวรไหม้ไปครึ่งผืนตามเนื้อตัวและแขนขามีรอยไหม้ปรากฏอยู่ กลิ่นไม้คราครุงฟ้าสว่างจ้าขึ้นจับกรันฝนไม่ตกสักเม็ดน่าอัศจรรย์นกท่านเป็นยังไงบ้างนางโถถามอย่างเป็นห่วงแสบไปทั้งตัวเลยะจ ย, ยมโอ้โหฟ้าผ่าเป็นอย่างนี้เองหรือท่านยังมีอารมณ์ขามทั้งที่ยังปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้นะ่าอย่างไงท่านเห็นนางเมฆกลากับรามสูรหรือเปล่าคนถามคือนางแต้ม ไม่มีเลยจะโยมไม่มีรามาสุลไม่มีขวานนางมณีเมขละกับแก้วก็ไม่มีอัตมาก็นึกว่าน่าจะมีรามูสุลขว้างขวานท่านตอบขันขันแล้วมีอะไรละจ๊ะท่านเห็นอะไรโยมที่นั่งหลังนางโถถามตอนอัตมามองออกไปเห็นต้นมะม่วงกับต้นมะปรางไหว้พริยอเพริพยบเหมือนโดนพายุ แล้วแสงสีเขียวกับแสงสีแดงก็พุ่งเข้ามาชนกันเสียงดังเปรี้ยงอัตมาก็ปวดแสบปวดร้อนจีวรไหม้ไปครึ่งผืนอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่แหละพระหนุ่มเล่ารู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปสดสดร้อนร้อนจนต้องกำหนดในใจว่าตื่นเต้นหนอตื่นเต้นหนอและแถมด้วยปวดแสบปวดร้อนหนอปวดแสบปวดร้อนหนอ เจ้าประคุณเป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้เห็นพระถูกฟ้าผ่านางแช่มพูดพร้อมกับยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะอ้าวโยมนี่หมายความว่ายังไงกันอาตมาถูกฟ้าผ่าเกือบตายโยมกลับมาว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นท่านแซงดุตั้งที่นึกขำถ้าไม่ให้ว่ายังงั้นแล้วจะให้ว่ายังไงละจ๊ะที่อิฉันว่าเป็นบุญตาก็เพราะท่านไม่เป็นอะไรมาก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 พูดอย่างนี้พอฟังได้หน่อยนึกว่าพวกโยมพากันเยาะเย้ยอัตมาเสียอีกแต่ก็อย่าไปคิดว่าที่อัตมาไม่เป็นอะไรมากนั้นเนื่องมาจากบารมีเพราะทว่ากันตามจริงแล้วเป็นเรื่องของกรรมมากกว่าอัตมาถูกฟ้าผ่าก็เพราะกรรมกรรมอะไรครับบุรุษคนเดิมถามอีกกรรมที่ชอบสาบานนะสิอยากฟังไหมล่ะอัตมาจะเล่าให้ฟังอยากจ้ะอยากครับ ทั้งโยมชายโยมหญิงร้องขึ้นพร้อมกันสมภารหนุ่มกําลังจะเล่าก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยผมถูกฟ้าผ่าเสียงสา ม, มนเณรเฉลียวนั่นเองทุกคนจึงลุกตามสมภารออกไปทางหลังกุฏิสา ม, มนเณนรเฉลียวนอนหมอบอยู่กับพื้นมือยังถือจอบดาหยา่าตัวสั่นเถิมหน้าก้มลงติดดินเพราะตกใจอย่างแรง มุงงอยู่พักใหญ่ๆจึงได้สติและร้องขอความช่วยเหลือขณะที่สมพาน์กำลังจะเล่ากรรมที่ถูกฟ้าผ่าให้ญาติโยมฟังอะไรกันเนนอา้าวหลับหูหลับตาร้องอยู่นั่นแหละไหนลุกขึ้นสิแล้วลืมตาดูให้ชัดๆว่าใครถูกฟ้าผ่ากันแน่สามนเณรวัยย่าง19้าลืมตาขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งสำรวจตามเนื้อตามตัวก็ไม่เห็นรอยไหม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 ผมตกใจมากไปหน่อยเลยปั้มปัมเป๋อเป๋ อ, ป อ, ป อ, ปอท่านออกตัวเธอสอบตกแล้วแสดงว่าที่เรียนกรรมาฐานไปนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เธอสอบตกอย่างไม่เป็นท่าเลยเชียวนะท่านได้โอกาสแก้แค้นมีอย่างที่ไหนเป็นลูกวัดแต่มายะเย้ยสมภารครับผมสอบตกจริงๆด้วยขอโอกาสสอบซ่อมนะครับ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 ท่านกำลังจะเล่าให้พวกเราฟังก็พอดีได้ยินเสียงเนรร้องนางแช่มบอกกล่าวถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตฟังด้วยคนนะครับสา ม, มนเณรเฉลียวบอกพระเจริญดูเหมือนทุกคนต้องการที่จะฟังสมภารเล่าไม่มีใครเป็นห่วงเป็นใยถามถ่ายอาการปวดแสบปวดร้อนที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ช่าง น, น่าน้อยใจนะอ้าวใครจะฟังก็เชิญมาทางนี้พระเจริญบอกแล้วเดินนาพวกเขาไปยังกุฏิ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 ยัยมาเฟืองแกถูกฟ้าป่าตายหรือครับสามเนินเฉลียวถามท่านนั่งใกล้กับอาสนะสมภารมากกว่าคนอื่นๆถูกแล้วถูกฟ้าผ่าตั้งสามครั้งสองครั้งแรกไม่ตายหรือจ๊ะนางแต้มถามนั่นสิฉันว่าท่านสมภารแน่แล้วยังมีคนแน่กว่าท่านอีกรุอนี่นางแช่มรู้สึกพิศวงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใครจะแน่เท่าอัตมาล่ะพระเจริญถือโอกาสคุยทับ อาการปวดแสบปวดร้อนดูเหมือนทุเลาลงเมื่อได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโยมยายของท่านแล้วทำไมฟ้าต้องผ่าสามครั้งละจ๊ะเมื่อคุ้นเคยกับท่านนางก็เปลี่ยนจากเจ้าคะมาเป็นจ๊ะอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าโยมโถอยากทราบก็ต้องไปถามฟ้าดูท่านตอบยิ้มยิ้มไม่เอาหรอกจ๊ะอีฉันกลัวถูกฟ้าผ่านางโถรีบปฏิเสธ โยมเป็นคนชอบสาบานหรือเปล่าล่ะเคยสาบานกับใครเขาไว้ว่าให้ถูกฟ้าผ่าไหมไม่เคยจ้ะเพราะอีฉันไม่เคยพูดเท็จแล้วก็ไม่เคยลักขโมยของใครก็เลยไม่ต้องสาบานนางถูตอบซื่อดีแล้วไม่งั้นจะต้องเป็นเหมือนอย่างยายมาเฟืองโยมยายเล่าให้ฟังว่ายายมาเฟืองแกเป็นคนชอบสาบานอะไรไรก็บอกขอให้ฟ้าผ่าตาย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 ผู้ที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายนั้นจะต้องถูกฟ้าผ่าตายเข้าสักวันฟังเรื่องของให่มาเฟืองแล้วอัตมาก็ชักกลัวตอนหลังเลยสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าเฉยๆถ้าอัตมาว่าขอให้ฟ้าผ่าตายเมื่อกี้นี้ก็คงเอวังไปแล้วท่านเล่ายิ้มๆแล้วท่านสมพานเป็นอย่างไรบ้างครับต้องไปหาหมอหรือเปล่าสา ม, มเณรเฉลียวถามเพื่อนจะนึกขึ้นได้ว่าสมพานได้รับบาดเจ็บเพราะถูกฟ้าผ่า ไปทำไมให้อายหมอล่ะเกิดหมอถามฉันก็ต้องเล่าความเป็นมาให้ฟังหมอเขาก็เลยรู้ความลับของฉันนะซีภิกษุวัย29ต่อแล้วที่ท่านเล่าให้พวกอีชั้นฟังท่านไม่อายหรือจ๊ะนางแช่มถามซื่ อ, อหากก็ทำให้พระหนุ่มเจ็บจี๊ดจีดเข้าไปถึงในอกอายซิเพิ่งจะรู้สึกอายก็ตอนที่โยมถามนี่แหละแมมเล่นถามแบบนี้อัตมาก็อายแย่นะซี ถ้าอย่างนั้นอีฉันก็ต้องขอโทษท่านด้วยที่ทำให้ท่านอายยกโทษให้อีฉันด้วยเถิดจ้านางกราบประลกประลสามครั้งเอาเถอะอัตมายกโทษให้แต่ก็อยากจะฝากญาติโยมว่าขอให้เชื่อเถิดเวรกรรมน่ะมีจริงอย่างแน่นอนอัตมาไม่เชื่อก็ยังต้องเชื่อขอให้หมั่นสร้างกรรมดีเข้าไว้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่ากรรมดามีวิบากดา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 สมภารหนุ่มช่วยขยายความแล้วการปฏิบัติกรรมฐานกับการทำบุญเลี้ยงพระอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันจ๊ะนางแต้มถามโยมว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่าล่ะท่านย้อนถามอิฉันไม่ทราบหรอกจ๊ะถ้าทราบจะถามท่านสมภารหรือโอบาสิกาวัยห้าสิเศษย้อนบ้างอีฉันว่าปฏิบัติกรรมฐานได้บุญมากกว่าเพราะทานได้บุญน้อยกว่าศีลแต่ศีลก็ยังได้บุญน้อยกว่าภาวนา นางโถเป็นคนตอบถูกของโยมโถการปฏิบัติกรรมฐานจัดเป็นภาวนาไมายสูงกว่าศีลลมัยและทานละไมแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องทำให้ครบทั้งสามอย่างสมภารอธิบายแล้วอยู่ๆนางแต้มก็ถามขึ้นว่าเอ๊ท่านสมภารสังเกตไหมจ๊ะว่าชายกแกไม่เคยมาเข้ากรรมฐานเลยอีชันเคยชวนแกแกก็ไม่ยอมมาจริงด้วยแกชอบแต่ทาทานอย่างเดียว นางเข้มเสริมทานเทินอะไรแกได้แต่บอกบุญเรี่อยอะไรเงินของคนอื่นตัวแกไม่เคยออกสักเฟื้องเดียวแล้วแบบนี้จะได้บุญไม่จ้าท่านสมภารนางแต้มถามนางรู้จักมกคนายกและแอ บ, บสังเกตมานานการทำบุญมีถึงสิบแบบถ้าทายกเขาไม่ออกเงินของเขาแต่มีจิตอนุโมทนากับคนอื่นเขาก็ได้บุญเหมือนกันเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมา่ หมายถึงบุญสำเร็จด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่นพระเจริญพูดแบบเป็นกลางตั้งแต่มาอยู่วัดนี้ท่านก็ยังไม่เคยเห็นนายมั่นควักเงินออกจากกระเป๋าตัวเองมาทำบุญเลยสักครั้งเคยแต่เรียอะไราจากคนอื่นดังที่โยมแต้มพูดมานั่นแหละท่านสมพัน์ครับผมจะไปเอายาหม่องมาทารอยไหมให้นะครับสามเณรวัยย่างสบเกบอกโอ้ยถ้าทาอย่างนั้นก็ยิ่งแสบไปใหญ่นะสิไม่ต้องรอก ขอบใจท่านนึกค้อนในใจว่าสามเณรเฉลียวช่างไม่เฉลียวเลยสักนิดท่านสมภารจ๊ะเมื่อกี้ที่ท่านว่ า, าการทำบุญมีถึงสิ์แบบน่ะอีฉันอยากทราบจ้ะว่ามีอะไรบ้างนางโถพูดขึ้นยังมิทันที่สมภารจะว่ากระลายสตรีวัยหกสิบเศษก็เดินเข้ามานั่งอยู่แถวหลังมีชายหนุ่มอายุประมาณยี่สิบมาด้วยคนทั้งสองพากันกราบท่านสามครั้ง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 ตายแล้วว่าจะจำเราได้ไหมนี่สาทุอย่าให้จำได้เลยมิฉะนั้นจะต้องเกิดแผ่นทินไหวหรือไม่ก็ภูเขาไฟระเบิดขึ้นที่วัดป่ามะม่วงเป็นแน่แท้